บทที่ 2. ชีวิตที่ปลอดภัยแท้ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรมนุษย์เราได้สแสวงหาเครื่องคุ้มกันจากพยัญราะที่คุกคามท่วมทับเราและคนที่เรารักตลอดจนประเทศชาติและสังคมส่วนรวมภัยบางอย่างก็มองเห็นได้โดยกระทบและทำอันตรายต่อร่างกาย ภัยอื่นที่เกิดอย่างลึกลับและมองไม่เห็นซึ่งรบกวนเราในเวลากลางคืนเช่นผีมนุษย์รับบือภัยมืดเหล่านี้ด้วยประเพณีและพิธีกรรมต่างๆเช่นการสวดมนต์บูชายันเป็นต้นบางพิธีก็น่าตื่นเต้นและพิถีพิถันแม้ว่าบางพิธีจะดูเหมือนว่า ทำให้เกิดผลตามที่หวังแต่การที่เราไม่ทราบผลกระทบระยะยาวหรือเมื่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตเราเปลี่ยนไปแม้พิธีที่ทรงพลังที่สุดก็ไม่อาจปกป้องเราจากวิบากกรรมเก่าการพิธีพิทันสร้างเครื่องคุ้มกันและความปลอดภัยรอบๆตัวเราให้ทันกับพยันตราย เพื่อเผชิญกับภัยคุกคามทางกายภาพเช่นการประกันสุขภาพการประกันชีวิตตํารวจการฉีดวัคซีนการตรวจสุขภาพวิตามินอาหารชีวภาพอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ําที่หลบภัยและเสื้อกันกระสุนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการที่เราใช้ปกป้องตนเอง จากอันตรายที่เราไม่รู้บ่อยเพียงใดที่เราเห็นผู้คุ้มกันลายร้อมหลายวงแวดล้อมบุคคลสำคัญหรือระบบรักษาความปลอดภัยและสุนัขคุ้มกันที่บ้านของคนร่ำรวยในระดับประเทศก็สั่งสมกําลังอาวุธมหืมาและแม้แต่ต้องการส่งอาวุธไปห่วงอวกาศนอกโลกเมื่อผู้คนเห็นบุคคลหนึ่ง แวดล้อมด้วยสัพเพะเครื่องคุ้มกันภยัยภายนอกเช่นกำลังปิดอาวุธและนักกังฟูก็มักประทับใจเสมอบ้างก็อยากชมการแสดงกำลังของหน่วยอารักษขาผู้คนเชื่อผิดๆว่าเครื่องคุ้มกันภายนอกนี้นำมาซึ่งความปลอดภัยที่เขาต้องการ ขอเชิญท่านถามตนเองด้วยคำถามสำคัญสองข้อดังนี้ 1. อะไรคือชีวิตที่ปลอดภัยแท้ 2. จะเจริญสู่ชีวิตที่ปลอดภัยแท้ได้อย่างไรคำถามสองข้อนี้เป็นประเด็นที่อัตมาจะแสดงธรรมในคืนนี้อัญเชิญจากสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายและคาถาธรรมบท ดังนั้นปฐมมูลในการบรรยายคืนนี้คือพระธรรมของพระบรมศาสดาอัตมานำเสนอแต่สัจธรรมท่านสามารถประมวลสรุปได้เองเรามาเริ่มที่กระทู้แรกอะไรคือชีวิตที่ปลอดภัยแท้พระพุทธเจ้าต้องเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพื่อคำตอบที่ถูกต้อง ต่อคำถามนี้เพราะเหตุใดอุปมาว่าความมืดแห่งราตรีป ร, รารสนาการด้วยอาทิตย์อุทัยฉันใดความมืดบอดแห่งอวิชชาก็ป ร, รารสนาการด้วยการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าฉันนั้นด้วยการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจึงจะเข้าใจว่าสิ่งใดคือกุศล สิ่งใดคืออกุศลเมื่อเราปฏิบัติด้วยความเข้าใจชอบนี้เราจึงจะสามารถขับไล่ความมืดบอดแห่งอวิชชาแล้วจึงจะรู้แจ้งแท้ในความแตกต่างระหว่างสัจธรรมและความหลงกุศลและอกุศลสังสารวัฏและพันนิพพานคำตอบของคำถามนี้ มาจากพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระสูตรแรกอัตมาอัญเชิญจากสังยุตตะนิกายสคาธวักโกสระสังยุตปฐมวักที่หนึ่งอัตตะคิตสูตรอัตตะแปลว่าตนรักคิตแปลว่ารักษาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินดิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงได้ทรงปราศัยกับพระผู้มีพระภาคคั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระเจ้าประเสนที่โกศลประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หม่อมฉันได้เข้าที่รับพักผ่อนอยู่ได้เกิดความนึกคิดอย่างนี้ว่าชนพวกไหนหนอแลชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนชนพวกไหนหนอแลชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตน ถ้าพระองค์ได้คิดต่อไปว่าก็ชนบางพวกแรย่อมประพฤติทุจริต ด, ด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนถึงแม้พลรช้างพลรมาพลรถหรือพลเดินเท้าจะพึงรักษาเขาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าไม่เป็นผู้รักษาตน ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกมิใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตน ถึงแม้ว่าพลช้างพลมา้าพลรถหรือพลเดินเท้าจะไม่รักษาเขาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในไม่ใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้น ชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนพระผู้มีพระภาคตัตอบว่าถูกแล้วถูกแล้วมหาบาพิตรก็ชนบางพวกย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนถึงแม้ชนพวกนั้นจะมีพลช้างพลมา้าพลรถหรือพลเดินเท้า คอยรักษาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าไม่รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกไม่ใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าไม่รักษาตนส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุดจริต ด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถึงแม้ชนพวกนั้นจะไม่มีพลช้างพลมา้าพลรถหรือพลเดินเท้าคอยรักษาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้น เป็นการรักษาภายในไม่ใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตาศาสดาคันตัดไวยากรพาสิทินี้จบลงแล้วจึงได้ตัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าการสำรวมด้วยกายเป็นการดี การสำรวมด้วยวาจาเป็นการดีการสำรวมด้วยใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความระอายต่อบาปเรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาตนเมื่ออ่านพระสูตรนี้แล้วเราอาจทราบในระดับหนึ่งว่าบุคคลใดชื่อว่าเป็นผู้รักษาตน บุคคลใดชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนแต่การที่จะรู้จริงว่าเราจะมีความปลอดภัยที่แท้ได้อย่างไรเราจำเป็นต้องใคร่ครวญให้ลึกซึ้งต่อเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของความปลอดภัยอย่างทะรุปุโปรงแม้ว่าเราไม่มีการรักษาจากภายนอกเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะเหตุใด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 เป็นผู้รักษาตนความหมายของคำกล่าวนี้คือการสํารวมประพฤติจริตด้วยกายวาจาใจเป็นหลักในการรักษาตนที่แท้และมีประสิทธิภาพแม้ว่าเราจะไม่มีการรักษาจากภายนอกโดยที่แท้เมื่อเรารักษาตนจากภายในการรักษาจากภายนอกก็จำเป็นน้อยลง ยิ่งกว่านั้นเราควรจะพิจารณาดังนี้ว่าชนพวกที่มีการรักษาภายนอกเลิศเล อ, เลอมักจะหยิ่งทนงตนหรือเชื่อมั่นมากเกินไปเมื่อพวกเขาหลงคิดว่าการรักษาจากภายนอกเป็นการรักษาตนที่แท้พวกเขาก็จะประมาทไม่สํารวมความประพฤติต่อผู้อื่น ไม่สำรวมในกายวาจาและไม่ใส่ใจในประโยชน์สุขของผู้อื่นใส่ใจแต่ประโยชน์สุขส่วนตนการประพฤติทุจริตเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนนี้จึงไม่ใช่ชีวิตที่ปลอดภัยแท้อีกในหนึ่งตามที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายในอัตตรักิตะสูตรว่า ผู้ที่ต้องการรักษาตนและต้องการความปลอดภัยที่แท้จริงควรจะประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจโปรดระลึกในประเด็นที่สำคัญสองประเด็นดังต่อไปนี้ 1. พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมิใช่สิ่งที่ไม่อาจเข้าใจและไม่อาจปฏิบัติแต่ตรงกันข้ามคือ พระธรรมเป็นสิ่งที่เข้าใจได้และปฏิบัติได้ 2. พระพุทธเจ้าตัดสอนพระธรรมทั้งมวลเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์เทวดาพรหมผู้เร่งเห็นประโยชน์แห่งพระธรรมและสแสวงหาพระธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นในการจะมีชีวิตที่ปลอดภัยแท้พระพุทธเจ้าตัดสอนว่า การสำรวมโดยทำแต่ความประพฤติจริตธทางกายวาจาใจย่อมรักษาตนจากความโศกความกังวลความกลัวพยันตตรายตลอดจนความทุกข์ที่ต้องเกิดในอบายภูมิในทางตรงกันข้ามการประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเป็นเหตุแห่งความโศกความกังวล ความกลัวพยันตรายและความทุกข์ที่ต้องเกิดในอบายภูมินี้เป็นเพราะเหตุใดในการที่จะเข้าใจการประพฤติสุจริตและทุจริตทางกายวาจาใจเราต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความประพฤติเหล่านั้นต่อเมื่อเราทราบเหตุปัจจัยเราจึงจะเริ่มฝึกตนให้ข่มลดหรือแม้แต่ขจัด การประพฤติทุจริตได้อัตมาขอถามคำถามง่ายๆสักสองสามข้อท่านหาความโลภในจิตขณะนี้ได้ไหมท่านหาความโกรธในจิตขณะนี้ได้ไหมท่านอาจจะตอบว่าหาไม่ได้แม้ท่านจะค้นหาจนเหน็ดเหนื่อยท่านก็อาจไม่พบอกุศลใดๆ ในจิตขณะ น, นี้แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าอากุศลละธรรมไม่มีอยู่อกุศลมีอยู่เพียงแต่ว่าในขณะนี้อกุศลอยู่ในสภาพอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในผวังขจิตที่ติดตามเราไปทุกพบทุกชาติและผูกเราไว้กับภาวะจักรแห่งสังสารวัฏ จนกว่าจะถูกกำจัดด้วยพระอริยมรรคไปตามลำดับอัตมาจะอธิบายความข้อนี้ดังนี้ในทันทีที่จุติจิตดับตายจากภพหนึ่งปฏิสนที่จิตก็เกิดขึ้นโดยไม่มีช่องว่างใดๆอนุัสกิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดานที่เรากำลังกล่าวถึงนั้นได้นอนเนื่องมาถึงจุติจิต และติดตามข้ามพบมาที่ปฏิสนธิจิตในทันทีที่จุติจิตดับลงดังนั้นในการเกิดขึ้นของทุกๆปฏิสนธิจิตจะมีกิเลสคือโรภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่อยู่ในสภาพของอนุสัยกิเลสมีอยู่โดยมองไม่เห็นอยู่ในสภาพที่มีศักยภาพซ่อนเร้น ดุดดังศักยภาพที่มีอยู่ในมเมล็ดพืชทุกมเมล็ดที่สามารถเติบโตเป็นต้นไม้และศักยภาพที่มีอยู่ในต้นไม้ทุกต้นที่สามารถก่อให้เกิดผลไม้ตามชนิดนั้นๆเราทราบว่าอนุสัยกิเลสเหล่านี้มีอยู่ก็เพราะกิเลสเหล่านี้ผุดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่างๆที่เหมาะสม ดุดดังต้นไม้ที่เกิดขึ้นจากเมล็ดพืชเมื่อมีความชื้นที่เหมาะสมดุดดังผลไม้ที่เกิดขึ้นเมื่อมีแสงแดดที่เหมาะสมกิเลสจำแนกได้เป็นสระดับดังนี้ 1. ระดับแฝงตัวอนุสัยกิเลสเมื่อกิเลสนอนเนื่องอยู่เฉยๆแฝงตัวอยู่ในสันดาน 2. ระดับครอบงามจิตปริยุท ธ, ธานะกิเลสเมื่อจิตโดนกิเลสเล่นงานนี่เป็นจุดวิกฤตที่กิเลสขึ้นสู่ระดับผิวจิตแปลสภาพจากการอยู่เฉยเฉยเป็นการคุขึ้นจากการที่กระทบกับเงื่อนไขที่เหมาะสม 3. ระดับการล่วงละเมิดวีติ ก, กะมะกิเลส เมื่อการกระทำผิดทางกายและวาจากเกิดขึ้นเราเกล่าวถึงกิเลสระดับหนึ่งคือระดับแฝงตัวแล้วตอนนี้เรามาดูที่กิเลสระดับสองคือระดับครอบงามจิตเมื่อเราเห็นอารมณ์ที่ดึงดูดใจความโลภคือต้องการจะได้วัตถุนั้นก็มักจะผุดขึ้นในจิตเสมอๆกิเลสนั้นได้แปลสภาพ จากระดับนอนอยู่เฉยๆเป็นการคุขึ้นในความหมายที่ว่าขณะนี้ผู้นั้นพร้อมจะทำแล้วขณะนี้ตะเตียมจะทำคือจะทำกายทุจริตและวาจาทุจริตส่วนโทสะและโมหะก็เป็นไปในทำนองเดียวกันนี้เมื่อเราเห็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจโทสะก็จะเกิดขึ้น เช่นเดียวกันกันกบเมื่อเราเห็นอารมณ์โดยไม่รู้ธรรมชาติพื้นฐานของสิ่งนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนโมหะก็จะเกิดขึ้นกิเลสในระดับครอบงามจิตนี้ถ้าเราดำรงสติมั่นอยู่กิเลสก็จะถูกข่มไว้ได้โดยในนี้เราจึงป้องกันการก่ออกุิศรกรรมได้ แต่เมื่อใดที่ขาดสติกิเลสที่ครอบงมจิตจะทำให้กระทําทุจริตได้อย่างรวดเร็วเสมอแป่เป็นกิเลสระดับการร่วงละเมิดอัตมาขอกล่าวถึงอีกลำดับหนึ่งต่อไปทวารหกคือทางรับรู้อารมณ์ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ซึ่งอารมณ์ภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพระกายสัมผัสและธรรมารมณ์อารมณ์ทางใจสามารถกระทบได้เมื่อใดที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาอโยนิโสมนสิการเวลากระทบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาโรพะก็จะผุดขึ้น ในทํานองเดียวกันเมื่อใดที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเวลากระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาโทสะก็จะผุดขึ้นโมหะการไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเกิดร่วมกับความโรบและความโกรธเสมอธรรมชาติของโลภะคือความต้องการหรือความอยากมีความยึดอารมณ์ไว้เป็นลักษณะ ดุดตังสำหรับดักริงยึดริงที่มาต้องเข้าไว้ฉะนั้นมีอันตั้งหน้าเกาะติดไปเป็นกิจ ด, ดุดชิ้นเนื้อที่คนโยนลงไปในกระทะอันร้อนก็ตั้งหน้าติดไหมไปในกระทะนั้นฉะนั้นเมื่อใดจิตกระทบกับอารมณ์ที่หน้าปรารถนาโลภะก็เกาะติดกับอารมณ์นั้นดังนั้นโลภะเพียงแต่ทากิจของตน โทสะและโมหะก็มีกิจของตนเช่นเดียวกันสิ่งที่ทำให้เป็นปัญหามาจากสักยทิชิความเห็นว่าเป็นตัวของตนเช่นเห็นรูปเป็นตนเห็นเวทนาเป็นตนเป็นต้นซึ่งทำให้โรภะโทสะและโมหะไม่อาจแยกจากนี้เป็นฉันนี้เป็นของฉันนี้เป็นอัตตาของฉัน กิเลสโลภะโทสะและโมหะไม่อาจแยกออกจากความเป็นฉันเนื่องมาจากสักยะทิชฌ์ดังนั้นเมื่อโลภะโทสะโมหะพุทขึ้นเราจึงถือเอาว่าเป็นโลภะของฉันโทสะของฉันโมหะของฉันมานะของฉันความหวงแหนของฉันความอิจฉาของฉันเป็นต้น เนื่องจากความเห็นผิดคือการเห็นสิ่งต่างๆว่านี้เป็นฉันนี้เป็นของฉันนี้เป็นอัตตาของฉันเราจึงทำอกุศลรร ก, กรรมต่างๆหากเราตรวจสอบอกุศลรร ก, กรรมเหล่านี้เราจะเห็นว่าการกระทามกายทุจริตและวจีทุจริตล้วนเป็นผลมาจากมโนทุจริตถ้าเป็นมโนสุจริต ก็จะเป็นกายสุจริตและวจีสุจริตแต่ถ้าเป็นมโนทุจริตก็จะเป็นกายทุจริตและวจีทุจริตหากขาดการสำรวมระหว่างอินทรีย์เราก็ไม่ทราบว่ากิเลสของเราได้เปลี่ยนจากการนอนอยู่เฉยเฉยอนุัยกิเลสเป็นการคขึ้นสู่ผิวจิตปริยุทธฐานะกิเลสและแรงขึ้นเป็นระดับ การล่วงละเมิดทางกายวาจาวิติกะมะกิเลสในที่สุดเมื่อล่วงเลยมาถึงขั้นนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะหยุดยั้งการล่วงละเมิดและเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องเสวยทุกข์จากอากุศลวิบากนั้นในอบายภูมิพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เราเพียรชอบสัมมาวายามะ ประทานสี่อย่างคือเพียงระวางบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นหนึ่งเพียงละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งเพียงเจริญทำรรกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหนึ่งเพียงรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและให้เพิ่มภัยบุญหนึ่งพระพุทธองค์ตัดแนะนาไว้ใน อังคุตระนิกายทสกะนิปาตทุติยปั น, นาคสา จ, จิตะสูตรการตรวจสอบตนเองดังต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสุทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายพิสุจน์เหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายหากว่าพิสุจ์ไม่เป็นผู้ฉลาดในวาลจิตของผู้อื่นไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ฉลาดในวารจิตของตนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลนี้หมายความว่าหากเราไม่ฉลาดในการอ่านความคิดและอุปนิสัยของจิตผู้อื่นเราก็ควรฝึกฝนตนให้ฉลาดในการรู้ความคิดและอุปนิสัยของจิตตนพระผู้มีพระภาคได้ตัดต่อไปว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย พิสุย่อมเป็นผู้ฉราดในวารจิตของตนอย่างไรดูก่อนพิสุทั้งหลายเปียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เป็นหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในคันช่องอันบริสุทธิ์หมดจดหรือในภาชนะน้ำอันใสถ้าเห็นทุรีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามเพื่อขจัดทุรี หรือจุดดำนั้นเสียหากว่าเราไม่เห็นธุรีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ย่อมดีใจมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นแลว่าเป็นราบของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนาแม้ฉันใดดูก่อนพิสุทั้งหลายการพิจารณาของพิสุว่าเราเป็นผู้มีอภิชาอยู่ โรภะอยากได้ของเขาโดยมากหรือหนอหรือว่าเราไม่เป็นผู้มีอภิชาอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเราเป็นผู้อันทินะมิทะกุ้มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ปราศจากทีนะมิทะ อยู่โดยมากเราเป็นผู้ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยได้โดยมากเราเป็นผู้โกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้ไม่โกรธอยู่โดยมาก เราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีกายอันปรารบแรงกล้าอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีกายอันมิได้ปรารบแรงกล้าอยู่โดยมากเราเป็นผู้เกียจค้านอยู่โดยมากหรือหนอ หรือว่าเราเป็นผู้ปารบความเพียรอยู่โดยมากเราเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือว่าเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้ย่อมเป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแล ว, ว่าโดยสังเขป คือควรตรวจสอบจิตตนเองว่าเป็นผู้มีกิเลสทั้งสามคือโลภะโทสะและโมหะอยู่โดยมากหรือมิใช่ด้วยการหมั่นตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเราจึงจะทราบว่าจิตของเรามีกิเลสทั้งสมอยู่โดยมากหรือว่าปราศจากกิเลสทั้งสามอยู่โดยมาก เมื่อหมั่นตรวจสอบด้วยสติอยู่เช่นนี้จึงจะเกื้อกูลให้เราภาคเพียรอย่างขมักขเม่นเพื่อระ บ, บาปอกุศลทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธโอวาดนี้แม้ว่าจะทรงแสดงไว้เกินกว่า 2,500 ปีแล้วก็ยังคงไม่ล้าสมัยทุกวันนี้คนทั่วโลกรักความสวยงามทางกายภาพ มักจะส่องกระจกดูว่าจุดด่างดําบนใบหน้ามีอยู่หรือหนอดูว่าผมได้รูปทรงดีอยู่หรือหนอสรรหาวิธีการต่างๆเพื่อประเทืองโฉมของตนคนส่วนใหญ่มักใช้เวลามากในการสำรวจเงาตนในกระจกแต่ถามว่ามีสักกี่ท่านที่ใช้เวลาสำรวจตนเองในความโรบโกรธ หลงหึงหวงอิจฉาตนีมานะถือตัวเป็นต้นเมื่อกิเลสเหล่านี้ผุดขึ้นที่ผิวจิตดุดดังสำรวจดูจุดด่างดำผุดขึ้นที่ผิวหน้าอัตมาคิดว่าโดยที่แท้คงจะมีน้อยท่านมากเป็นการยากสักเพียงใดที่จะพบบุคคล ที่สามารถตระหนักรู้ว่ากิเลสผุดขึ้นมาสู่ผิวจิตแล้วและเต็มใจที่จะข่มกิเลสลงส่วนคนที่เหลือไม่ได้หยุดยั้งกิเลสที่คุขึ้นมาและยังสมยอมให้กิเลสวิ่งผ่านในจิตตนราวกับว่าเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอกิเลสของเรายังถูกยั่วยุปลุกเราให้ทวีขึ้นโดยสื่อต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเราทั้งมวลจะกลายเป็นธาตุแห่งกิเลสณจุดนี้อัตมาขอถามอีกคําถามหนึ่งว่าสิ่งใดงามกว่ากันใบหน้างามหรือจิตใจงามคําตอบย่อมเป็นจิตใจงามใช่ไหมไม่ใช่เพราะการเสริมสวยใบหน้าที่ทําให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นเพราะการทําให้จิตงาม ทำให้จิตบริสุทธิ์หากเป็นเช่นนั้นเราควรจะทำสิ่งที่กลับกันในด้านการใช้เวลาและความอุตสาหะจะดีกว่ากันไหมถ้าเราใช้เวลามากขึ้นในการภาคเพียนเจริญกุศ ล, ลจิตและลดทอนอกุศ ล, ลจิต และใช้เวลาและวิริยะให้น้อยลงในด้านความงามทางกายและการชื่นชมตนเองหากเราไม่ทำดังนี้จะชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนได้อย่างไรท่านจำคำตัดของพระพุทธเจ้าในอัตตรักคิตสูตรได้ไหมการสํารวมด้วยกายเป็นการดีการสํารวมด้วยวาจาเป็นการดีการสํารวมด้วยใจเป็นการดี การสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความระอายต่อบาปเรากล่าวว่าเป็นผู้รักษาตนในการอธิบายความต่อไปว่าอนุสัยกิเลสนำไปสู่การทำกายทุจริตและวจีทุจริตได้อย่างไรอัตมาอัญเชิญจากอัตตกะทักคาถาธรรมบท ปุปพะวัคขวัรนาเรื่องพระเจ้าวิธูทพะซึ่งแสดงภาพเหตุการณ์ถึงความสำคัญในการข่มและบั่นทอนกำลังของอกุศลธรรมให้ทันท่วงทีในขั้นแรกๆของกระบวนการทางจิตดังนี้สมัยหนึ่งพระเจ้าประเปรตที่โกศลทอดพระเนตรไปยังระหว่างถนน เห็นพิสษจ์หลายพันรูปซึ่งไปเพื่อต้องการทำพัฒกิจในขฤรหัของท่านเหล่านี้คือท่านอนาถบินดิกเศรษฐีจุระอนาถบินดิกะเศษราาเศษฐีนางวิสาขานางสุ ป, ปะวาสาจึงตัดถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนกันเมื่อพวกราชบุรุษทูลว่าข้าแต่สมมติเทพ พิสุ2 0 0พรูปไปเพื่อประโยชน์แก่พัททั้งหลายมีนิตยพัทสรากพัทและคิราณพัทเป็นต้นในขรือหัดของอนาถบินดิกเศรษฐีทุกๆวันพิสุห0 0รูปไปขรือหัดของจุลอนาถบินดิกะเศรษฐีเป็นนิดของนางวิสาขาและนางสุ ป, ปะวาสา ก็เช่นเดียวกันดังนี้แล้วทรงพระประสงค์จะบำรุงพิสุสงฆ์ด้วยพระองค์เองบ้างจึงเสด็จไปวิหารทรงนิมนต์พระศ า, าสดาพร้อมกับพิสุพันรูปถวายทานด้วยพระหัตต์เองสิ้นเจ็ดวันในวันที่เจ็ดถวายบังคมพระศ า, าสดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญ ขอพระองค์จงทรงรับพิษาของพระองค์พร้อมด้วยพิสุทธิ์ห้ารอยรูปเป็นนิเทศพระศาสดามหาบพิษธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รับพิกษาประจำในที่แห่งเดียวประชาชนเป็นจำนวนมากย่อมหวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระราชาถ้ากันั้นขอพระองค์ โปรดส่งพิสุไปประจำเธอพระศาสดาได้ทรงส่งพระอานวนเทระพร้อมด้วยพิสุห0 0รอรูปพระเจ้าประสซ็นทิโกสลทรงลืมจัดการเลี้ยงพิสุถึงสามวันพระราชาไม่ทรงสั่งเจ้าหน้าที่ไว้ว่าเมื่อพิสุส่งมาแล้วชื่อว่าชวนเหล่านี้รับบาดแล้วจงอังคาถวายพระ ทรงอังคาดด้วยพระองค์เองเท่านั้นตลอดเจ็ดวันในวันที่แปทรงลืมไปจึงได้ทรงกระทาให้เนื่นช้าแล้วก็ธรรมดาในรา ช, ชตระกูลชนทั้งหลายอันพระราชามิได้ทรงสั่งแล้วย่อมไม่ได้เพื่อปูอัสนะทั้งหลายนิมนต์พวกพิสุให้นั่งแล้วอังคาดพวกพิสุคิดกันว่า เราไม่อาจเพื่อยับยั้งอยู่ในที่นี้ได้พากันหลีกไปเสียหลายรูปแม้ในวันที่9พระราชาก็ทรงลืมอีกแม้ในวันที่เกพิสุเป็นอันมากก็พากันหลีกไปถึงในวันที่สิบพระราชาก็ทรงลืมในการนั้นเว้นพะนนระอนนทเถระองเดียวเท่านั้นพระพิสุที่เหลือพากันหลีกไป พระราชาเสด็จไปกราบทูลพระศาสดาแม้พระอานนเถระมีบารมีอันบำเพ็ญแล้วตั้งแสนกับสมบูรณ์ด้วยอภินิหารมีบุญมากเมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูลจึงได้ยับยั้งอยู่เพราะความที่ตนเป็นไปในอำนาจแห่งเหตุพวกราชบุรุษนิมนต์ท่านรูปเดียวเท่านั้นให้นั่งแล้วอังคาด พระราชาเสด็จมาในเวลาที่พวกพิสุไปแล้วทอดพระเนตรเห็นขาธนียะและโภชนียะตั้งอยู่อย่างนั้นแหละจึงตัดถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมิได้มาหรือทรงสดับว่าพระอานนเถระมารูปเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะทรงพิโรอดพิสุทั้งหลายว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ทำการตัดขาด ต่อเราเพียงเท่านี้เป็นแน่จึงเสด็จไปสำนักของพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงภิกษาไว้เพื่อพิสุห้ารอยรูปทราบว่าพระอนนเทเถระรูปเดียวเท่านั้นมาพิสุที่หม่อมฉันจัดแจงแล้วตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเองพิสุห้าร้อยรูปไม่กะทาความสาคัญ ในพระราชวังของหม่อมฉันจะมีเหตุอะไรน้อแรพระศาสดาไม่ตัดโทษของพวกพิสุตัดว่ามหาบาพิษสาวกทั้งหลายของอัตมาภาพไม่มีความมั่นใจในพระองค์เพราะเหตุนั้นพิสุทั้งหลายจะไม่ไปแล้วพระราชาทรงส่งสารไปขอที่ดาจเจ้าสักยะ พระราชาทรงดำริว่าเราควรจะทำความคุ้นเคยกับพิสุสงเราจะทำอย่างไรหนอดังนี้แล้วทรงดำริว่าควรทำพระธิดาแห่งพญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในพระราชมทีนเมื่อเป็นเช่นนี้พวกพิสุหนุ่มและพวกสามเณรก็จะคุ้นเคยแล้วมาอย่างสำนักของเราเป็นนิด ด้วยคิดว่าพระราชาเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้ทรงส่งพระราชสารไปสำนักเจ้าสักยะทั้งหลายว่าขอเจ้าสักยะทั้งหลายจงประทานพระธิดาคนหนึ่งแก่มอมฉันแล้วรับสั่งบังคับทูตทั้งหลายว่าพวกท่านพึงถามว่าเป็นพระธิดาแห่งเจ้าสักยะองค์ไหน แล้วจึงมาเจ้าสักยะให้ทิดานางทาสีแก่พระเจ้าประเสิทธิพวกทูตไปแล้วทูลขอเจ้าหญิงคนหนึ่งกะเจ้าสักยะทั้งหลายเจ้าสักยะเรานั้นประชุมกันแล้วทรงดำริว่าพระราชาเป็นฝักฝ่ายอื่นผิว่าพวกเราจะไม่ให้ไซ เท้าเธอจะทำให้เราฉิบหายเมื่อว่าโดยสกุลเท้าเธอไม่เสมอกับเราเลยพวกเราควรทำอย่างไรกันดีเท้ามาหานามะตรัสว่าที่ดาของหม่อมฉันชื่อวาสภคติยาเกิดในท้องของนางทาสีถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศมีอยู่